ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องอโศกมหาปวารณาโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ นะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังบ้างอย่างเช่นที่มาของสโลกททำไมถึงได้มีที่มาอย่างนี้สโลกอันจงเห็นค่าของคนเหนือกว่าผลของงานนะซึ่งก็มีที่มามีที่ไปเราก็รู้แล้วว่างานมหาปราณาสมณะจากทั่วสารทิก ีังก็จะมารวมกันหมดแ ล, แล้วเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของมหาปรานาก็คือการที่ให้ติ่งเตือนให้บอกกล่าวกันนะจะแบบว่าจะรู้มาก็ตามเห็นมาก็ตามได้ยินได้ฟังมาก็ตามหรือเนี่ยระแวงก็ตามสงสัยก็ตามนะขอให้ติ่งเตือนข้าพเจ้าได้ ด้วยความเมตตาเอ็นดูนะแล้วข้าพเจ้าก็จะไปแก้ไขไปปรับปรุงนะให้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ที่จะขอกับเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ด้วยเพื่อที่จะได้ติงเตือนกันก็นกรายการสุดท้ายของส ม, มณะที่ประชุมกันเนี่ยก็จะเป็นรายการนี้ เริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยคือพ่อท่านก็จะพูดอธิบายรต่างๆให้ฟังก่อนนะว่ามีอะไรยังไงบ้างอะไรต่ออะไรพออธิบายให้ฟังเสร็จแล้วก็จะมีการดําเนินงานของหมู่สงนะก็จะดําเนินงานโดยที่อา้อาวจากบันทึกปีที่แล้วทําหรือไม่ได้ทําอะไรยังไงแล้วบ้างหรือว่าบางเรื่องดําเนินงานอยู่ก็ พยายามทํากันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็จนกระทั่งเรื่องพวกนี้เสร็จหมดและภายในวันสองวันนั้นนะเสร็จหมดจนกระทั่งจะถึงรายการสุดท้ายอันนี้เป็นรายการส่งท้ายนะมหาพุทธาแล้วเราก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่หัวแถวคือพันเตพระผู้ใหญ่สมณะผู้ใหญ่เนี่ยก่อนนะก็จะนั่งเป็นแถวแถๆแถวแถวจะมาจำไม่ได้แล้วกี่สิบแถวนะนั่งเป็นสองฝั่ง พวกเราไม่รู้เคยเห็นภาพบางแม่ภาพบางทีลงส า, าสโลโศกงองไรพวกเนี้ยจะมีแบบว่าก็นั่งเป็นซ้ายขวานี่นะเสร็จแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตรงกลางแต่ว่าข้างๆก็จะเป็นโต๊ะจะมีพ่อท่านมีสมณะผู้ใหญ่ที่ดําเนินรายการเนี่ยท่านก็จะนั่งอยู่นะส่วนนอกนั้นก็จะมานั่งอยู่สองฝั่งก็จะ สลับฟันปลาไปเรื่อยคงเข้าใจนะสมมุติว่าหัวแถวรูปที่หนึ่งนั่งรูปต่อไปก็เป็นรูปที่สามนั่งรูปต่อไปก็เป็นรูปที่ห้าส่วนส่วนรูปที่สองรูปที่ ส, สี่ที่เป็นเลขคู่เนี่ยนะก็จะนั่งอีกฝั่งหนึ่งคือก็จะแบ่งไปอย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองฝั่งนะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยแล้วเขาเนี่เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรแต่พอถึงช่วงปวารณาแถวที่หนึ่งลุกขึ้น นั่งกระโยงต้องนั่งกระโยงการที่ขอให้คนอื่นเนี่ยติติงเตือนเราเนี่ต้องนั่งกระโยงเป็นการแสดงความเคารพแม้จะเป็นพันเตก็ตามก็จะกระโยงขึ้นมาทั้งแถวเลยเสร็จแล้วก็เอาเลยคราวนี้ใครจะติติงว่ากล่าวในแถวเนี้ยมีรูปไหนบ้างอะ่ะก็ก็เห็นหน้าเห็นตาแล้วล่ะก็ติได้เลย นี้ให้ติได้แถวละสิบรูปคือคือใครที่อยากติรูปไหนเนี่ยเอาเลยติได้นะแต่ทั้งหมดผู้ที่จะติในแถวที่ได้เนี่ยให้โอกาสสิบอย่างน้อยๆ อ, อ, อ, อย่างอย่างมากไม่เกินสิบซึ่งปรากฏว่าส่วนใหญ่พวกอาวโุโสพวกเพิ่งบวชใหม่เนี่ยยังไม่รู้จะติอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะส่วนใหญ่อันเตผู้ใหญ่เนี่ย ที่เป็นผู้บริหารหรือว่าทํางานทําการก็มักจะมีเรื่องเยอะอ่ะใช่ไหมจะต้องบริหารไอ้นั่นไอ้นีน่บางทีจะต้องตัดสินอะไรต่างๆนะหรือบางทีก็มีการงานเนี่ยมากวันโอกาสที่บางทีพลาดบ้างพลั้งบ้างอะไรมันก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นก็โดนเยอะหน่อยสมรผู้ใหญ่โดนเยอะหน่อยยกเว้นว่าผู้ที่ท่าน แล้วมันระวังตัวไว้ดีแล้วถ้าท่านอาจจะโดนน้อยหน่อยคิดดูแล้วกันเพราะนั้นอาตมาเนี่ยนะทุกปีเลยที่อยู่ในช่วงมหาปรนาเนี่ยนึกทุกครั้งเลยนะว่าเออไม่ใช่ในเมืองไท ย, ยนะยังคิดอยู่ว่าเอในโลกเนี้ยไม่รู้เขาจะมีระบบนักบวชเนี่ยที่จะแบบว่าไม่ยกเว้นเลย นะต่อให้เป็นสมณะผู้ใหญ่โหบริหารระดับสมมติถ้าเปรียบแล้วระดบบระดับเจ้าอาวาสอะไรเงนี้นะแต่ปรากฏว่ า, าลูกลูกน้องมาทีหลังเนี่ยเป็นนาวกากะเพิ่งบวชใหม่ก็ตามหรือว่าหรือว่าเพิ่งบวชปีแรกเลยก็ตามสามารถติได้ติผู้ใหญ่ได้ที่ต่อให้บวชมาเป็นมหาเถระ บวชไปจน20สปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเรียกว่ามหาเถระถ้าสิปีขึ้นมาก็ถือว่าเถระถ้า20สปีขึ้นไปก็เป็นมหาเถระพระบวชใหม่มาติได้เนี่ยเป็นวิธีการประวาราณาที่พระเจ้าเนี่ยท่านสร้างจารีตประเพณีไว้แต่อาตมาว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาก็มีนะ เขาก็มาบางทีส่วนใหญ่ก็ส่วนเป็นบาลีแล้วก็จบแล้วก็จบกันโอ้โหแต่ของเรานี่ถึงลูกถึงคนเอาตามจริงจริงเนี่ยแหละแล้วก็ผู้ที่รับเนี่ยหมายถึงว่าต่อให้เป็นสมณะผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารับลูกที่เขาตําหนีตีติงมาแล้วอย่าเถียงนะอ้าวเทียงต้องรับให้ได้ต้องรับให้เป็น นะต้องให้เห็นเป็นขุมทรัพย์ให้ได้จิตถึงจะวางได้ถ้าไม่คิดเป็นลุมทรัพย์ไม่คิดในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะวางไม่ลงนี่โอ้โหําบากนะเพราะว่าบางทีงมไม่มีการแก้ไม่มีการแก้ให้รับให้ได้ก็จะตีถูกหรือตีผิดก็แล้วแต่ละต้องรับให้ได้ ยิ่งเป็นสามณะผู้ใหญ่ก็ยิ่งต้องรับให้ได้สิเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะจะโดนเด็กติจะโดนเด็กว่ากล่าวก็ตามก็ต้องรับให้เป็นมานึกอยู่เนี่ยว่าโอ้ที่อื่นที่ไหนใครจะมีใครจะมีบ้างที่จะคนที่เขาอยู่วัดมาตั้งเป็นสิบปียี่สิบปีมายากแม่ๆคุณจะไม่กล้าแต่อันเนี้ยเป็นประเพณีของพุทที่ว่าผู้มาใหม่ก็ตาม ก็ต้องถ้าเห็นอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องหัดกล้ากล้าที่จะตําหนตีติเตียนเหมือนกันแม้เป็นผู้ใหญ่ก็เถอะถ้าทําไม่เหมาะไม่ควรอันนี้เป็นโอกาสที่เปิดให้แล้วคําว่าปวารณาเนี่ยคือเปิดโอกาสให้ให้ตําหนิได้แล้วผู้ที่จะโดนตําหนินี้ก็เป็นผู้ขอเองด้วยว่าขอให้ช่วยติพูดง่ายๆนะว่าขอให้ช่วยติ เปิดโอกาสให้ติได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุโสหรือว่าผู้น้อยถึงถึงจะกล้าไม่อนั้นอยู่ดีไปติได้ง่ายๆอย่างไงเปิดติไปหน่อยอาจจะโดนอจจะโดนตุ้มกลับมานะรับไม่ไหวก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเพณีที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งอาจารู้มาสึกว่าว่าถ้าใครมาทำได้จริงเนี่ยที่นั้นน่ะ ทำตามคาสอนผู้เจ้าเจ้าได้จริงเนี่ยนะที่นั้นก็ถึงจริงแต่ถ้าที่ไหนทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ถึง <c oughs> ก็จะไม่มีการกล้าว่ากล่าวกันกล้าติ ต, ติงเตือนกันได้แล้วของเราเนี่โอ้โหติจริงๆนะแม้แต่อวุโสนี่แ่บางคนบางรูปก็รู้สึกกล้าเกินไปจะ <c oughs> เป็นอัตมาเพิ่งบวชมามาไม่กล้านะ <c oughs> รู้สึกว่า กลัวเดี๋ยวมุมตกต้องกับมุมสะท้อนกลัวนั่นอยู่เหมือนกันน่าจ ะ, ะา ร, ระมัดระวังแต่อันนี้นี่พวกเรามีความจริงใจอมีความบริสุทธิ์ที่รู้สึกว่านั่นก็ท่านทำอันนี้ไม่เหมาะไม่กควรจริงๆนะก็กล้าที่จะให้ท่านคือคือคือไม่กลัวว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวตัวเองจะแย่หรือเปล่าคือมันมันไม่มากลัว เป็นกิเลสมือนกันนะตัวกลัวแบบนี้คือกลัวเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะนี่รุ่นพี่ทำมไม่เหมาะไม่กลัวแล้วก็เฮ้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวว่าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซวยนะเดี๋ยวท่านก็ไม่ชอบเราหรือท่านก็ไม่ยินดีกับเราเดี๋ยวการทํางานก็ลําบากหรือเดี๋ยวเราก็อาจจะโดนอะไรหนักๆบ้างมันก็เลยแบบว่าไม่กล้า แต่อันนี้ก็เป็นกินเลสอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นการฝึกเหมือนกันว่าผู้น้อยก็ฝึกที่จะกล้าให้นะด้วยความจริงใจเนี่ยแต่ให้ยังไงก็ให้ด้วยความ endu ด้วยความรู้สึกดีๆอย่าไปให้ด้วยความที่ไม่ชอบใจไม่พอใจอะไรอย่างนี้มันจะต้องให้ด้วยความรู้สึกที่เมตตาที่อ n d u เพราอันนี้เป็นการฝึกของผู้น้อยด้วย ที่จะกล้านะส่วนผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่ก็ได้ฝึกฝึกในแง่อะไรส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ใครจะไปกล้าตีอะไรกันหนักันหน า, นาใช่ไหมล่ะเขาเกรงใจอยู่แล้วหรือเผลอๆเขาก็กลัวอยู่แล้วมันผู้ใหญ่ผู้ดีก็จะไม่ค่อยโดนบางทีทําอะไรเนี่ยอาจจะผดเด็จการหรือว่าอาจจะทําอะไรไปตามที่ตัวเองคิดตัวเองชอบโดยที่คนอื่นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ แต่เขาไม่กล้าพูดอะไรเฉะั้นผู้ใหญ่เนี่ยได้หัดกล้าให้เขามาติให้เขามาว่าได้ก็ได้ฝึกฝึกตัวที่จะได้รับฟังคิดเห็นของคนอื่นบ้างไม่อย่างนั้นบางทีเราคิดเราทําอะไรไปเราอาจจะทําไปโดยที่เราคิดว่าดีแล้วเราคิดว่าถูกแล้วเราก็ทําทําทำท ำ, ทำซึ่งบางคนอื่นเขาน้ําท่วมปากก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมแต่อันนี้ เปิดโอกาสให้จะได้หัดฟังความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งบางทีโอ้โหเขาคิดตรงข้ามกับเร า, าเลยแล้วเขาก็ไม่ยินดีด้วยที่ที่เราอาจจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะได้ฝึกรับลูกหรือฝึกได้รู้มุมอื่นที่ตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนรวมไปทั้งอย่างน้อยน้ยอยเน่คนอื่นเขาพูดขึ้นมาหรือเขาติขึ้นมาเราก็จะได้รู้ความรู้สึกของคนอื่น ว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงบ้างเพราะบางทีเราทำไปเราก็คิดว่าไอ้คนอื่นเขาน่าจะคิดอย่างนี้นะทำอย่างนี้ไปคนคนนี้น่าจะคิดอย่างงโนนคือเราคิดเอาเองเราอาจจะไม่รู้ความรู้สึกจริงๆของคนอื่นเขาก็ได้เพราะงั้นคราวนี้ได้ได้ฟังคนอื่นเขาพูดมาบ้างเราถึงจะได้อ๋อบางทีเขาคิดไม่เหมือนเราเนี่ยเพราะนั้นไอ้คราวนั้นที่เราทำไปโอ้แสดงว่าเราพลาดเรายังนึกว่าเราทาได้ดี เราคิดว่าเราทำได้สําเร็จเพราะไม่เห็นมีใครว่าอะไรนี่เออทำไปแล้งานก็นเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเราก็นึกว่าเราทำได้ดีแล้วที่ไหนได้คนอื่นเขาอาจจะโอ้โหอึดอัดลาบากใจหรือทุกข์ใจอยู่ก็ได้แต่เขาไม่บอกให้เราฟังใช่ไหมเราก็ไม่รู้วันข่าวนี้ผู้บริหารหรือว่าผู้ใหญ่ได้ฟังความคิดเห็นของอื่นบ้างก็จะได้เออแม่ได้เข้าใจคนอื่นได้มากขึ้น วันการจะบริหารการจะทำงานคราวต่อต่อไปก็จะได้คิดถึงใจของคนอื่นได้มากขึ้นนะซึ่งก็ปรากฏว่านะในงานนี้เท่าที่สังเกตปีนี้ปรากฏว่าโอ้สมณผู้ใหญ่ได้รับคุมทรัพย์เยอะแล้วนะคนทำงานเยอะก็โอกาสที่จะพลาดอะไรไปบ้างพลังอะไรไปบ้างก็จะมีเยอะ เขาได้รับเยอะมากเลยนะแต่เยอะนี่ในทางที่ดีนะไม่ไม่ใช่ในทางที่เลวร้วายเพราะว่าส่วนใหญ่อาุโสจะให้กับพันเตให้กับผู้ที่บวชก่อนก็ต้องให้ด้วยความเกรงใจให้ด้วยความให้เกียรติอสุภาพให้อย่างลักษณะที่ที่ที่ดีก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยทําให้แบบว่า โอ้โหท่านได้อะไรอ่ะเรียนรู้ได้เข้าใจอะไรขึ้นมาอีกเยอะเลยซึ่งก็จะเป็นผลดีเป็นผลประโยชน์พูุทธเจ้าถึงใช้คำว่าเป็นขุมทรัพย์นะเป็นของอมีค่านะเป็นของที่จะทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งสามารถดำเนินงานได้อย่างรอบคอบระมัดระวังสุ ข, ขุมยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะถ้าผู้ใหญ่ที่ ที่ยังยังคิดอยู่แต่มุมความคิดของตัวเองแม้ว่าโดนตาหนิโดนว่าเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่เปิดใจให้กว้างพอแล้วก็ไม่รับไม่คือเวลาเขาพูดมาเนี่ยเ้าตีเตียงมาเราไปคิดแต่ต้านไว้นะคือคิดอธิบายหมดจริงปากไม่พูดนะเพราะว่าเขาไม่ให้เถียงปากไม่พูดแต่ใจเราเถียงอยู่ตลอดเวลาเลยพอเขาให้หุมทรัพย์มาเขาติอย่างนั้นตีอย่างนี้เราก็เถียงอยู่ใใจว่า เ, เราไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก ถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่จะได้คุ้มทรัพย์นั้นเนี่ยได้ไม่ค่อยเต็มที่หรอกเพอเพือก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้ถ้ายิ่งแบบว่าเขาพูดอะไรมาล้วก็เถียงไปหมดเลยหาทางแก้อยู่ในใจเราเนี่ยแก้ตัวอยู่ในใจเราหมดเลยอย่างนี้คุ้มทรัพย์ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องมีความจริงใจทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับถ้ามีความจริงใจกันแล้วเนี่ย ก็จะทำให้แบบรับรับได้ดีมันเสร็จแล้วในงานเนียก็ปรากฏว่าเนี่ยนะผู้บริหารก็บางทีนะอาจจะแบบว่าก็คิดว่าดีแล้วแล้วก็ทำทำน้ำทาไปแต่บางทีปรากฏว่านะชาวชาวบ้านชาวบ้านก็ไมถึงคนวัดบ้าง <c oughs> นะหรือว่าคนที่มาอยู่วัดบ้างเียบางทีอาจจะมีผลกระทบ นะบางทีอาจจ ะ, ะเดือดเนื้อร้อนใจบางอะไรบ้างอันนี้แหละพ่อท่านก็เลยคิดกันแล้วก็สมณอื่นๆก็ช่วยคิดด้วยนะบอกว่าเนี่ยไอน่าจะเป็นสโลกแบบเนี้ยว่าจงเห็นค่าของคนเนี่ยนะคือคือว่าไปบริหารคนอื่นเขาหรือว่าไปอยู่ร่วมกับใครเขาก็ตามนะให้เห็นค่าของคนคือ คืออารมณ์เขาความรู้สึกของเขาเขามีความนึกคิดยังไงเขามีความเข้าใจยังไงนะเราก็ควรจะเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันให้เห็นอันเนี้ยเป็นสําคัญให้เห็นเหนือกว่าผลของงานผลคันงานที่บางทีเราอาจจะอะไรอ่ะกุดดินฟันหญ้าหรืออาจจะทํางานหนังสือฝ้าภายัยอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะ ทำอะไรอ่ะเอาทเทปอาจจ ะ, จะอยกโยมทำาลงครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ละแต่ให้ใ ห, ให้ให้เห็นว่าไอ้ผลงานพวกนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าจิตวิญญาณของคนที่อยู่ร่วมกันนะซึ่งบางทีเนี่ยเราทําไปเราอาจจะคิดว่าดีแล้วเราก็พยายามอย่างดีแล้วลวแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันก็พลาดไปได้ แต่เขาไม่พูดเราก็ไม่รู้นะคือคือคนที่เขามีผลกระทบอันนี้เขาไม่มาพูดเราก็ไม่รู้หรอกเราก็นึกว่าดีเราก็ทำต่อไปเรื่อยทำต่อไปเรื่อยทำต่อไปเรื่อยซึ่งมันก็มีคนที่ได้รับผลดีจริงก็มีมีด้วยแต่คนที่ได้รับผลไม่ดีด้วยก็มีอีกไงแต่เราไม่เคยรู้เลยเรานึกว่าทำไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดีหมดแหละเพราะเจ้าทุกข์ไม่ได้มาลองเรียนอะไรนี่เราก็เลยไม่รู้ว่ามีเจ้าทุกข์อยู่ เรานึกว่าทำไปแล้วนี่มีแต่เจ้าสุขและไม่มีเจ้าทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็เลยทาของเราไปเรื่อยตามที่เราคิดว่ามันดีแต่ว่าปรากฏว่าเอาล่ะคราวนี้นะพอมีกลุ่มซั์มาเราถึงเริ่มรู้ว่าเออมีเจ้าทุกข์ด้วยนะวันพอเรารู้ว่ามีเจ้าทุกข์ด้วยเนี่ยคราวนี้คราวต่อๆไปเราจะทำงานเราก็มีความระมัดระวังในการงานเนี่ยมากขึ้นเออ คนนี้คนนี้เขาคิดยังไงเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างเออเราจะอะไรประสานยังไงหรือว่าเราจะตกลงกันยังไงที่ทําให้คนเนี้ยเขาพอวางใจได้หรือเขาก็ไม่ไปอึดอัดไม่ไปทุกข์ระทมอะไรมากนะักที่ทําให้อยู่ร่วมกันแล้วมีความผาสุกมากขึ้นจิตวิญญาณเขาดีขึ้นจิตวิญญาณเขาไม่เสียอันนี้แหละนะก็เลย เป็นที่มาของจงเห็นค่าของคนให้เหนือกว่าผลของงานเพราะส่วนใหญ่คนเราเนี่ยที่เราจะเผลอหรือเราจะพลาดไปส่วนใหญ่เนี่ยมันไปอยู่ที่งานจิตเราเนี่ยไปอยู่ที่งานซะมากกว่าคือเราเรามักจะลืมนึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นเขาแต่เราคิดถึงผลของงานที่มันจะเสร็จออกมาหรือว่า ทำได้ออกมายิ่งงานเร่งเร่งโอกาสที่เราจะลืมค่าของคนเนี่ยจะยิ่งมากงานไหนเร่งเร่งนะจะมีหนึ่งงานเร่งเร่งสองงานที่จำกัดเวลาเราทำให้เราก็โอ้โหต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยมันพอพอโดนจำกัดเวลาหรือโดนเร่งเร่งเนี่ยนะจิตมันก็จะมาอยู่ที่งานซะส่วนใหญ่ในครนีเพราะมันจะรีบไงเพราะมันก็ ไม่ค่อยไปคิดถึงอะไรแล้วคราวนี้มันก็จะต้องได้ต้องให้เสร็จต้องให้ทันจะรีบมาที่งาน ส, ส่วนใหญ่ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่คนเราเนี่ยจะพลาดเรื่องความรู้สึกของคนอื่นจะพลาดนะหรืออีกอย่างหนึง่งคราวนี้โอกาสที่พลาดก็อย่างเช่นป่วยอ่าหรือว่าอารมณ์ไม่ดีนะป่วยหรืออารมณ์ไม่ดีเราหงุดหงิดเรา อย่างนั้นอย่างนี้คือวันนี้อะไรนะดินฟ้าอากาศท้องฟ้าปิดไม่ปลอดโปร่งไม่แจ่มใสพูดง่ายอารมณ์บูดฟ้าไม่เป็นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยพออารมณ์เราเสียอารมณ์เราไม่ดีใช่ไหมเราก็มุ่นอยู่กับไอ้ไอเรื่องของเราอะที่เราบูด ท, ที่เราเสียเนี่ยเพราะนั้น พอเราไปทํางานเรื่องกับคนอื่นทีเราก็ไม่ทันไปนึกถึงคนอื่นละเราก็เอาตัวเรารอดเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพอคนนี้พอทําอะไรไปมันก็ไม่รู้อะอย่างเช่นบางคนป่วยฟันก็ไม่ต้องนึกถึงอะไรอะทําไงใ ห, ให้มันไม่ปวดฟันไม่ปวดฟัวไม่ปวดท้องนะบางทีใครเข้ามาใกล้กับตูมก็ให้ตูมก็ใ ห, เใหนะ้เป็นที่ระบายอารมณ์ของเราคือตอนนั้นน่ะจิตมันมาทุ่มอยู่กับ ไออาการปวดอาการอะไรของเราเราก็ไม่คำนึงถึงใครทั้งนั้นแหละมันนึกอยู่แต่อารมณ์ของตัวเองเท่านั้นวันอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะพลาดหรือเราก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยทุกข์ลำบากได้หรือบางทีเวลาหิวเวลาหิวว่าเริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มหงุดหงิดแล้วนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปชาตักไม่ทันเดี๋ยอาหารหมด นะมันมันหิวไงยิ่งหิวเลนะโอ้โหเอาละเอาละคราวนี้แหละนะใครทำด้วยใกล้ๆอะไรนะบางทีเนี่ยเอาใหญ่เลยไม่รู้เราโลกโลกลกกเพื่อที่จะได้รีบรีบรีบรีบหิวนี่มีมีหิวข้าวก็มีมีหิวหนังก็มีบางคนอยากดูหนังมากเลยนะไม่ได้ถึงเวลาแล้วหกโมงแล้วหิว นะคือปรากฏว่าโอ้โหคราวนี้ใครพูดอะไรด้วยชักฟังไม่ค่อยรู้เรื่องกันแล้วนะนะอันนี้พยายามยกหลายๆตัวอย่างเพื่อให้เรารู้ว่าหิวแนตะ่มันหิวหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าคุณจะหิวอะไรเออบางคนนี่ล็อกเวลาไวลา้ละต้องเวลางี้ต้องนี้ต้องงี้ถึงเวลาแล้วไม่ได้ฮะใช่ไหมตามเวลาดิเที่ยงต้องกินถึงเวลากินเพราะนั้น มาผิดเวลาผิดวลางูยินแล้วเริ่มผิดเวลาเนี่ยมันมันก็จะเริ่มอึดอัดเริ่มไม่ชอบใจเริ่มไม่พอใจอะไเงี้ยมันก็เริ่มออกรอบข้างอ่ะใช่ไหมแล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแพะรับราบาปแต่ก็นั่นแหละก็แล้วแต่ว่าใครจะสวยมาเจอเราช่วงนั้นๆนั้นนนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้บางครั้งเราก็เอาแล้วปล่อยออกไปอีกแล้ว นะอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่เราหงุดหงิดแล้วก็พลาดพังออกไปอีกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีหลายเหตุนนะเจ็บป่วยมั่งหรือว่าไปสัญญินสัญญาอะไรไว้กับใครเขาบ้างเสร็จแล้วไม่เป็นไปอย่างสัญญาที่ตกลงกันอารมณ์หงุดหงิดยอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะใครอยู่รอบข้างก็โดนระบายใส่นะหรือเรื่องอื่นอื่นอีกที่เราไม่สบอารมณ์ไม่พอใจอะไรแล้วก็มาระบายใส่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเองเนี่ยนี่แหละไม่ระมั่นระวังก็ทําให้บางทีเนี่ยเราก็พลาดพังออกไปรอบข้างได้เสมอเสมอแต่ตอนนี้ถ้าเราฝึกพอเราฝึกเนี่ยเราก็เริ่มรู้ตัวรู้ทั้งคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเขานึกยังไงแล้วตัวเราเองรู้ตัวเราเองด้อตอนนี้เราเป็นยังไงเราเราก็คอยมีสติคอยระมัดระวังตัวเรา นั่นเราจะได้ไม่พลาดปังออกไปยิ่งถ้าตัวเราเราก็รู้ชัดแล้วแล้วยิ่งคนอื่นคนนี้เพราะว่าเขาได้ตีติงเรามาเขาได้ว่ากล่าวมาเราก็ยิ่งเข้าใจเพื่อนร่วมงานเนี่ยมากขึ้นเข้าใจในทางที่เรียกว่ารู้จริตรู้นิสัยกันรู้ว่าเขาชอบอย่างนี้เขาไม่ชอบอย่างนี้เขาชอบกินเอ่อกล้วยน้ำว้าเขาไม่ชอบกินกล้วยหอม อ่าเรารู้รู้แม้อย่างเงี้ยคุณคิดดูสิโอกาสที่คุณจะทำพลาดบางทีนี่อเอากล้วยหอมไปให้คนที่ชอบกล้วยน้ำวา้าริง่งเขาก็รับไปะนะแต่เขาอาจจะรู้สึกแหมเอามาให้เราทำไมเราไม่ชอบเลยยิ่งบางคนเกลียดทุเรียนอย่างเงี้ยใช่หไหมเราก็ไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจเลยเอาคนเนี้ยโอ้โหนี่อุตสาซื้อมานะโอ้ มอนทองอย่างดีเลยนะแหมเอามาให้ที่ไหนได้เพื่อเราเกียรติทุเรียนอย่างไรมีนะบางคนเขาโอ้โหบอกอึดอัดมากเลยเพราะว่าเหม็นอะ่ะบางคนนี่เหม็นแล้วเขาแบบโอ้โหมึนหัวเลยนะบอกได้กินทุเรียนดมทุเรียนไม่ใช่มึนหัวเลยนะอยากจะอ้วกเลยแต่เราเราไม่เคยรู้ไม่เคยว่าเขาคิดยังไงเขาชอบเขาไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ยเราก็พลาดพังไปก็ได้เห็นไหม ถ้าสมมติว่าเราให้ไปแล้วเขาก็รับโดยมารยาทใช่ไหมเขาก็รับโดยมารยาทเขาก็ทำเป็นยิ้มๆไปที่ไหนได้จะอ้วกอยู่แล้วแต่ถ้าเขาไม่บอกเรานะแล้วเราก็ไม่เคยถามด้วยว่าเอ๊ะเขชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงเราก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวว่าหลังซื้อมาอีกเพราะเราชอบเราชอบกินแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาคงชอบเหมือนเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาอย่างที่เราชอบแหละไปให้คนอื่นเขา โดยที่บางทีเราไม่รู้ว่าเรายัดเยียดให้คนอื่นเขาหรือเขาเองเนี่ยโอ้โหเขาทุกขจะตายอยู่แล้วเราก็ยังพยายามยัดเยียดอีกโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาทรมานทรมกรรมต่อเมื่อเนี่ยเห็นไหมเขาบอกออกมาหรือเขาพูดออกมาเขาเกรงใจเขาไม่กล้าพูดแต่เนี่ยเราเปิดโอกาสว่าเออขอให้บอกนะถ้าเราทําผิดพลาดอะไรเราทําไม่ดีอะไรขอให้บอกเราเราจะได้ เอาไปแก้ไขพอถ้าเรารู้แล้วว่าเออคนนี้เขาไม่ชอบทุเรียนวันหลังเราไม่เอามาให้แน่เราก็คงเอาอย่างอื่นมาให้ที่จะให้แล้วเขารู้สึกดีๆกับเราอ่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องความรู้สึกดีๆพวกนี้ก็จะยิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับเออเฮ่อถ้าอยู่ด้วยกันแล้วรู้ใจกันเนี่ยการอยู่ด้วยกันแล้วรู้ใจกันมันเป็นความ อบอุ่นนะใช่ไหมบางทีเขาบอกว่าแค่มองตากันโดยที่ไม่ต้องพูดรู้แล้วจะให้ทำอะไรจะให้ช่วยอะไรแค่มองตากัน <Okay. S 1> นี่มองปั๊บบางทีแค่อะไรเขาเรียกอะไรนะแค่แค่เหลือบตาเหรออะไรแงตามาแบบเพลบรู้แล้วว่าเฮ้ยเยข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับ เป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าใครเนี่ยทางานร่วมกันอยู่อยู่ใ น, นแผนกหรือว่าอยู่ในหมู่กลุ่มเดียวกันแล้วก็คุ้นเคยกันเนี่ยมีการอะไรอะ่ะรู้ว่าถูกใจไม่ถูกใจอะไรกันยังไงเนี่ยความเข้าใจกันเนี่ยนะคุณไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยจริงๆแล้วทํางานก็เข้าขากันดีนะทำงานก็ไม่ต้องมัฟอะไรอะ่ะ